สี่หิตะเจริยาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธภูมิเหล่านั้นในพุทธภูมิสี่ประการนั้นความเพียรเรียกว่าอุตสาหะความเพียร น, นี่มั่นคงเด็ดเดี่ยวอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะทะเลยังว่ายข้ามได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแล้วเงีความเพียรเนี่ยขนาดนั้นต่อไปนะปัญญาเรียกว่าอุหมค ะ, ะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญามากแล้วก็ ข้อสามก็คืออธิษฐานเรียกว่าอาวัถานะจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงอธิษฐานก็คือความมั่นคงนั่นเองแล้วก็หิตะจริยาก็คือเมตตาภาวนานั่นเองอันนี้เรียกว่าพุทธภูมิคือภาวะแห่งพระพุทธเนี่ยนะภูมิแห่งพระพุทธเนี่ยมีอยู่สี่อย่างอยู่ในตัวมีคุณสมบัติอยู่ในตัวสี่อย่างก็คือความเพียรหนึ่งปัญญาหนึ่งอธิษฐานหนึ่งแล้วก็เมตตาภาวนาเจริญเมตตาเป็นอัธยาศัย มีความเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยเป็นอัิยะสายเพราะว่าเมตตานั้นเป็นพื้นของบารมีทั้งสิบอย่างแตถ้าเมตตาไม่เกิดทานก็จะไม่มีศีลเนกธรรมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเป็นต้นจะไม่เกิดเลยเพราะเมตตาเนี่ยแหละเป็นพื้นฐาน น, นนะเพราะเห็นเออสัตว์ทุกคนเนี่ยน่ารักน่ า, นาดูไปหมดเลยก็ให้ง่ายทานนะบารมีก็ง่ายเป็นต้นนะซึ่งในพรหมิหารเราจะได้กล่าวต่ อ, ตอไป แล้วก็มีอัธยาศัยอีกหกอย่างนะมีภูมิแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์สี่ตัวแล้วก็ยังมีอัธยาศัยอีกหกอย่างแม้ในอัธยาศัยเหล่านี้คืออัธยาศัยเพื่อเนคขมะข้อหนึ่งนะเนคขมัตยาศัยอัธยาศัยออกอย่างเดียวนะอัธยาศัยที่ไม่ยึดติดอย่างเดียวเลยนะข้อหนึ่งข้อสองอัธยาศัยปวิเวกกายวิเวกจิตตวิเวกเนี่ยนะอุปทิวเวกท่านมีอัธยาศัยที่จะสงบสงัดลักษณะนั้นเลย ข้อาสามอะโลภัทยาศัยมีอัธยาศัยไม่โลภไม่เห็นแก่ได้ไม่มักมากวังนั้นเถอะอธยาศัยข้อสี่ก็คืออัธยาศัยไม่มักโกรธอะโทสัพธยาสัยไม่ไ ม, ไม่นิยมโกรธวังนั้นเถอะไม่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอะไรข้อห้าก็คืออะโมหัธยาสายัยอัธยาศัยไม่งงฉลาดนั่นเองเรียกว่าเหตุปัจจัยสามตัวท่านดีอะ mm hmm. เหตุตูวเหตุตัวซ้ปยุตการ์นั่งเลยนะ เหตุสามนะของท่านเนี่ยดีมากโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุไม่ค่อยเกิดกับท่านหรอกแล้วก็อัธยาศัยตัวสุดท้ายน่าสนใจก็คือนิสรณัอัธยาศัยอัธยาศัยในการสลัดออกเขาบอกว่ายินดีที่จะนิพพานได้ทันทีเล ย, ยงั้นนะจิตใจของท่านเขาบอกว่าคนที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าไม่มีความปรารถนาเหล่านี้คนประเภทนั้นจะเป็นอุเฉทิฏฐิธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเขาบอกว่า เป็นอุเช ท, ทัติติดได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะมันไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นอ่ะมันพร้อมที่จะทําลายตัวเองไม่หมดอ่ะมันสละได้อ่ะมันไม่ไม่ยึดติดอะไรทั้งอย่างอ่ะคือกราฟังสำนวนในเถระคถา น, นะครที่พระอาจารท่านอุทานตอนในท้ า, ทานเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้พอใจในการตายนะแล้วก็ไม่ได้พอใจในการอยู่ด้วยแต่รอเวลาเพื่อนิพพาน เจริญพรใช่นี่แสดงว่ า, าพ้นทางอุเฉธทิฏฐิทั้งสัตตทิฏฐิทุกอยาก่างหมดเล ย, ยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีคําสอนนะจะหนักไปอุเฉททิฏฐิคือคือไม่ผูกพันสักอย่างหนึ่งอะนะท่านอัธยาศาัยทั้งหกอย่างนี้ท่านต้องดีอัธยาศัยสลัดออกเป็นต้นนั้นจะรู้ว่าท่านทําดีตลอดแต่ไม่ได้ยึดในความดีอะในช่วงบําเพ็ญบารมีนะบําเพ็ญบารมีเพื่อบารมี ให้ทานเพื่อทานรักษาศีลเพื่อศีลจะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทําเพื่อกุศลน่ะไม่เอาทําเพื่อวิบากไม่ได้ทําเพื่อวิบากและการ ม, มาชารุกแต่ทํากุศลเพื่อกุศลให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานรักษาศีลเพื่อศีลมันบ่มกันเรื่อยๆนะโดยปัจจัยก็คือปกตูปบันิสยชาติอุปนิสยชาติสะสมบ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆจนกว่าจะโตเ like, ต็มที่อ่ะจนกว่าโพธิญาณเนี่ยจะถูกบ่มเต็มที่แล้วเสร็จแล้วก็พอแต่เขาบอกว่า ท่านไม่สันโดษในกุศลนะพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าธรรมะสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรพยายามไม่เลิอกอ่ะไม่ท้ออ่ะทำไม่เสร็จไม่เลิอกอ่ะจู้อย่างนั้นแหละทีนี้ต่อไปว่าธรรมะหกอย่างเนี่ยนะคือพุทธภูมิสี่อัธยาศัยหกเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อบ่มโพธิญาณโพธิญาณทีนี้หมายถึงอะไร อรหัตตมรรคอะเพื่อบ่มอรหัตตมรรคเพาอรหัตตมรรคเกิดดับไปปุ๊บเป็นอรหัตผลอรหัตตผลดับไปแล้วก็สัพพัญญุตญาณเนี่จะตามมาแต่ที่มาแห่งขสัพพัญญุตญาณญาณที่รู้สรรพสิ่งทั้งหมดนนมเนียน่ยนะสัพพัญญุตญาณมาแล้วทศพลญาณนะทศพลญาณอนนาวารณญาณต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเพียบไปหมดเลยอันญาณของร พ, ธธ พ, รพระพุทธเจ้านี่เยอะเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประกอบ พร้อมด้วยอัธยาศัยเหล่าใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเพื่อเนคขมมะเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในกรรมเนคขมัตยาศัยก็คือท่านเห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธะที่เรียกว่าวัตถุกรรมเห็นโทษในโลภะเจตสิกที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรียกว่ากิเลสกรรมท่านเห็นโทษทั้งสองตัวนี้เลยนะเห็นโทษของตัวโลภะที่เกิดในภายในด้วยเห็นโทษของ เริบเสียงเกลิ่นรถโพธิภัในภายนอกด้วยอนไรข้อหนึ่งในข้อสองอีกบอกว่าผู้มีอัธยาศัยเพื่อวิเวกเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในการคลุกคลีเห็นโทษเลยว่าเมื่อคลุกคลีเจอหน้ากันคิดเป็นกุศลมากไหมเจอหน้ากันปับ๊บเอดดรชันกถาอะไรจะเป็นไปกันเนาหาเรื่องหาเราพูดคุยกันแล้ว พี่ไปเนื้อน้องไปใต้ก็คุยกันแล้วเรื่องทั่วไปเระทั่วไปถนนหนทางเรื่องบ้านเรื่องนิคมราชธานีชนบทมิตรามาตรญาติสาโลหิตคนเป็นคนตายอ่ะเดรัชานคาถาทั้งนั้นเ่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นโทษของการคลุกคลีอนะเมื่อเดรัชานกาถาเกิดขึ้นมิจฉาวาจาเกิดอะไรต่อมิจฉามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิก็ไม่แน่นะดีไม่ดีมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกนะในการคลุกคลีบางอย่างก็มี มีโทษคําว่าครุกคลีนั้นจิตต้องเป็นไปกับโลภะโทสะนั่นเองมีอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภเรียกว่ามีปกติเห็นโทษโลภะด้วยนะถ้ามันเกิดขึ้นท่านก็เรีบดับมันเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อไม่โกรธคือมีปกติเห็นโทษของโทสะนะว่าโทสะเนี่ยมันมีโทษขนาดไหนเนี่มองเห็นมองเห็นว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อาจคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเหมือนกันเมื่อใดที่ความโกรธครอบงานี่มืดไปหมดนะ เพราะฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธย่อมไม่รู้สึกเหมือนกันคนโกรธเนี่ยมันเหมือนกับไฟไหม้นะถ้ามันโกรธมันไหม้ข้างนอกไม่ได้มันก็ไหม้ตัวเองอนะถ้ามันไหม้ข้างนอกได้มันก็ลามไปเลยแต่ถ้ามันไหม้ข้างนอกไม่ได้มันก็ไหม้ภายในแท้ะเผาไหม้สัมปยุตธรรมเหมือนกันเป็นผู้มีอทายาศัยเพื่อความไม่ลงเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในโมหะเห็นโทษในการไม่รู้อริยสัจเห็นทุกเห็นโทษของการไม่อย่างถึงปฏิจจสมุปบาท และเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อสลัดออกเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในพบทั้งปวงภพสามกําเนศสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าเนี่ยนะท่านมองเห็นเหมือนกับถูกไฟไหม้อยู่ตลอดไม่ได้ยินดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าที่อยู่เนี่ยอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นเองอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นในชีวิตนับตั้งแต่ได้รับพุทธภยากรเป็นต้นมาคือชีวิตเพื่อสัตว์อื่นทั้งนั้นเลย เพราะถ้าท่านจบท่านจะจบตอนนั้นน่ะที่ฟังทำบาตรเดียวแล้วบรรลุเลยนะที่ฟังคาถาสี่บาทแล้วบรรลุเลยเนี่ยท่านจะจบตรงนั้นที่อยู่ทั้งหมดที่เหลือมาทั้งหมดเนี่ยนับตั้งแต่ให้ท่านเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรแต่และอย่างแต่และอย่างเหล่านั้นนั่นทําเพื่อสัตว์อื่นนะเรียกว่าวิชาครัวอ่าวิช า, าศาสดาวางั้นแต่เป็นาศาสดาอีกของลูกาศาสถาเทวมนุษยสานังเป็นาศาสดาผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนในประโยชน์ทั้ง3อย่างนั่นเอง สุเมธบัณฑิตผู้โพธิสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยเหล่านั้นนะคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในตัวสุเมธบัณฑิตหมดเลยนะซึ่งสุเมธบัณฑิตเราจะได้ศึกษาอาทิตย์ต่อๆไปในวันต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เพียงแต่ว่าเอามากล่าวว่าผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องมีคุณสมบัติในลักษณะนี้เป็นต้นนั่นเองอันนี้เฉพาะจุดเริ่มต้นนะจุดที่จะได้รับพุทธภรรย์ แต่หลังจากนั้นมาแล้วบางทีก็เกิดเป็นนกเป็นลิงเป็นเสือเป็นช้างเป็นมา้าเป็นตามสมควรแก่แก่พบนั้นนั้นเพราะว่าในอยู่ในในห้วงสังสารวัตนี่นะจะไม่มีตราบาปนี่มันก็มียากนะนะช่วงที่อยู่ในโลกมันก็เกี่ยวข้องกับบาปบ้างเหมือนกันแต่ว่าการเกี่ยวข้องกับบาปของท่านท่านเกี่ยวข้องแล้วท่านเห็นโทษท่านมีโลภะเหมือนกันแต่ท่านก็เห็นโทษของโลภะมีโทสะแต่ก็เห็นโทษของโทสะเป็นต้นมีมานะเหมือนกัน แต่ก็เห็นโทษมานะพอเห็นโทษตั้งกลับสร้างบารมีให้มันมากกว่าเก่าอีกยิ่งสร้างบารมีมากขึ้นมากขึ้นอย่างั้นเดล น, นี่น่าจะกล่าวถึงพระประเจกบ้างนะพระโพธิสัตว์แบบพระประเจกทีนี้เราเลยมาหาว่าพระประเจกกับผู้ท่เจ้าอ่ะถามว่าก็การปรารถนาเป็นพระประเจกกับผู้เท่เจ้าทั้งหลายนี่ควร น, นานเท่าไหร่ตอบว่าการปรารถนา เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานถึงสองอสงไขยและเสล็กแสนกับต่ำกว่านั้นไม่ควรเพื่อทราบเหตุนในการปรารถนาเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้านี้โดยเนย้อที่กล่าวแล้วในบทก่อนนั่นแหละก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าโดยการแม้มีประมาณเพียงเท่านี้พึงปรารถนาสมบัติห้าประการในการสร้างอภิญญาหันหไม่ต้องครบแปดนะนะเอาห้าพอบอกว่า พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นมีเหตุแห่งอภินิหารเหล่านี้คือหนึ่งต้องเป็นมนุษย์สองถึงพร้อมด้วยเพศเพศก็ต้องเป็นผู้ชายเหมือนกันสามการเห็นผู้ปราศจากอาสวะข้อสี่ก็มีอที่การแล้วก็ข้อห้าก็คือมีฉันทะนั่นเองเขาบอกว่าบรรดาบทเหล่านั้นนะบทว่าการเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะได้แก่การเห็นพระ พุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือภาษาวกองค์ใดองค์หนึ่งบทที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้น5้าอย่างเนี่ยนะแต่ไม่ต้องเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะเห็นภาษาวกรูปใดรูปหนึ่งเสร็จก็ได้องค์ประกอบที่เหลือก็ปรารถนาเป็นพระปัจเจกสําเร็จนะมีองค์ประกอบห้าอย่างทีนี้ถามว่าก็การปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายเนี่ยควรนานเท่าไหร่นะก็คือเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอบว่าการปรารถนาเป็นพระอัครสาวกทั้งสองเนี่ยควรนานหนึ่งอสงไขยและเศด็ีกแสนกับนะถ้าจะฉลาดเหมือนพระสารีบุตรมีฤทธิ์มากเหมือนกับพระโมคคัลลานะก็หนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับการปรารถนาเป็นพระอสิติมหาสาวก ค, ควรนานแสนกับเช่นพระอานนท์พระมหากปินธะพระมหากระสปะนะพระเหล่านี้เนี่ยแสนกับ ความปรารถนาเป็นพระพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุปถากและโอรสของพระพุทธเจ้าควรนานแสนกับเหมือนกันต่ำกว่านั้นไม่ควรนะถ้าจะเป็นคนใกล้ชิดท่านนะนะเหตุในการปรารถนาทั้งหลายมีนัยยะดังกล่าวแล้วเที่ยวก็ภาษาวกเหล่านั้นทั้งหมดมีอพินิหารสมบูรณ์ด้วยองค์สองอย่างคืออธิการกับความพอใจที่การก็ต้องมีการเสียสละอย่างเต็มที่ใช่หมผู้ที่จะปรารถนาสีติเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นพระมหากระส ป, ปะเนี่ยนะท่านก็ทําบุญอย่างเจ็วันจึงจะตั้งความปรารถนาใช่พระอโนนหรือพระราหุลเป็นต้นเนี่ยท่านก็ทําบุญนะในชาตินั้นเนี่ยท่านบริจาคเป็นอย่างยิ่งเลยทำบุญเจ็ดวันจึงจะตั้งความปรารถนาส่วนใหญ่นในในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระรายละเอียดเหล่านั้นเราจะได้กล่าวครั้งต่อๆไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้งหลายตลอดการมีประเภทตามที่กล่าวแล้วด้วยการปรารถนานี้ คือในช่วงนี้จะกล่าวถึงพระปเจกไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าอาทิตย์ต่อๆไปเราก็จะได้เอาแต่เรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวด้วยอภินิหารนี้อย่างนี้นั่นแลก็เมื่อจะทรงอุบัติในโลกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าอุบัติในโลกนี้จะทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จะเกิดสองตระกูลนี้เท่านั้นตระกูลอื่นไม่มีพระประเจกับพพุทธเจ้าอุบัติในตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์และ ตระกูลครหาบาดีตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าพระประเจกเนี่ยได้สามตระกูลเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้เครหอาบาดีก็คือชาวบ้านทั่วไปก็ได้หรือพระคณะสาวกทั้งหลายก็เกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหม์เท่านั้นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก็อสองตระกูลนี้เท่านั้นพระสารีบุตรเนี่มีพ่อของท่านเนี่ยนะรวยห้าร้อยปักโกดอ่ะเราเคยได้ยินโอ้โหพราหมณ์มหาศาลแปสิบโกรดเนี่ยเต็มที่แล้ว น, นะ พ่อภาษาริบุตรนี่รวยมากกว่าห้าร้อยกตรวยจริงๆเป็นพราหมณ์มหาศาลซึ่งมันไม่ใช่มหาศาลธรรมดาพระโมคคัลลานะนี่ก็รวยเท่ากันสิบุตรนี่มีทรัพย์สินจริงๆมากมายพระมหาคสปานี้ก็น้องๆภาษาสิบุตรเท่านั้นเองรวยะเป็นตระกูล ท, ที่ที่ไม่ใช่ตระกูลธรรมดานะถ้ากษัตริย์ก็ครองแผ่นดินใช่ไหมก็ถือว่ารวยสุดยอดแล้วแต่ขนาดแล้วเป็นลูกน้องกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งก็โหทรัพย์เนี่ยมันนับไม่หวไม่ไหวอะ่ะ ก็บอกว่าเอาขี่ข้าเนี่ยนะนายก็เป็นไทยนายขอเป็นไทยร้อยปีไม่จบอ่ะคี่ข้ามากกว่านั้นบุญจริงจริงนะอะนพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้ไม่ทรงอุบัติในกับกาลังเสื่อมอุบัติแต่ในกับกําลังเจริญพระปเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะมีพระประเจกมาตัสสรุนะ แต่ว่าอย่างอย่างมีพระประเจกอง์สุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้ากําลังจะอุบัติเนี่ยนะพระประเจกนิพพานก่อนนิพพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมีมีนะพระประเจกองค์สุดท้ายในขัวิสานสูตรองค์ท้าทยเนี่ยจะมีพระประเจกองค์หนึ่งเป็นองคไทยไทยเลยนะอันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นนั้น่ะพระประเจกมีและพอพระองค์จะอุบัติปั๊บพระประเจกนิพพานก่อนแล้พระพุทธเจ้าจึงจะเกิดขึ้นจะต้องไม่อยู่ในช่วงเดียวกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาสักไม่กี่ปีเนี่ยนะมี ก่อนหน้านั้นไม่ไม่กี่ปีจะมีพระปเจกอยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วยแล้วก็สอนให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยท่านบรรลุเองแล้วก็สามารถสอนให้คนอื่นบรรลุบรบรลุที่ว่าบรรลุอะไรบรบรลุอริยสัจนะพระปเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองแต่ไม่อาจสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ย่อมแทงตลอดอัทธรสเท่านั้นไม่สามารถแทงตลอดธรรมรส คือรู้เฉพาะอัตตะตัวสภาวะเท่านั้นใส่เชื่อไม่ได้รู้แต่เนื้อความแต่ไม่รู้จะเรียกเชื่อยังไงขันทัปอริยตนะสัจจะอินทรีมาจำแนกอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกทำไม่ได้ทั้งอย่างแต่รู้รู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเพราะประเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมไม่สามารถเพื่อจะยกโลกุตระธรรมบัญญัติขึ้นสแสดงได้การบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใฝ่ฝัน ปกติตื่นก็คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วฝันไม่เห็นอะไรมาจะมาเล่าคุยกันยังไงและเหมือนกับรถแห่งกับข้าวที่พรานตาได้ลิ้มในเมืองเชนนั้นไปได้รับประทานอาหารอาาร่อยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยไปเล่าให้ญาติฟังไม่รู้จะไปเล่ายัางไงบอกได้กินอาหารอาาร่อยมาเท่านั้นเองชื่อก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเล่าไม่ถูกอ่ะพระประเจกับพระเจ้าทั้งหลายย่อมบรรลุธรรมะทั้งหมดอันต่างโดยอิทธิสมาบัติและปฏิสัมพิธาแต่เพราะมีคุณพิเศษ จึงต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เหนือพระสาวกทั้งหลายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสามารถมีเดชมีปัญญาเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันพระประเจกเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญพระสารีบุตรเหมือนกับดาวดวงโตอ่ะอันพระจันทร์กับดาวดวงโตนี่ก็กห่างกันนะราศีแสงสว่างแต่ว่ามันก็ส่องได้สลัวสล ว, สลวเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์นะไม่สามารถจะเรียก บ, บัญจักรอะไรได้หมด อนนะดวงจันทร์ไม่สามารถมานั่งอ่านหนังสือได้แต่ดวงอาทิตย์อ่านหนังสือได้ละเอียดขนาดนนะั้นแตกต่างกันนะแต่ก็ไม่มืดนะพระประเจกเนี่ยสามารถยังบุคคลอื่นให้บวชได้ให้ศึกษาอภิสมาจารย์ด้วยอุเทศเนี่ยนะถ้าพระประเจกจะสอนนะท่านสอนบอกว่าพึงทําความขัดเกลาจิตชําระจิตองนั้นะชําระจิตให้มันพ้น่าอกุศลนะไม่พึงท้อถอยอย่าไปท้อแท้พยายาม หรือย่อมทำอุโบสถ ด, ด้วยเหตุเพียงพูดว่าอัจชเมวโปสถโววันนี้เป็นวันอุโบสถเนี่ยปาติโมกของท่านง่ายมากถ้าปาติโมกของพระพุทธเจ้าก็เยอะหน่อยใช่ไหมสัพปาปัสสะการังกุสละสู้ปั้งปดาอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะหน่อยแต่ปาติโมกของสาวกนะสุนาตุเมพันเตสังโคนน่ะเกือบชั่วโมงนะแต่ว่าพระปเจกเนี่ยโอ้สบายเนาะอัจชเมวโปสถโววันนี้เป็นวันอุโบสถนะเรียบร้อยจบกัน แต่ว่าอุโบสถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระ อ, องค์ทรงทำนั้นสมัยแรกๆก็บอกว่าไงสัพปะปาปัสสะการนังใช่ไหมการไม่กระทําบาปทั้งสิ้นก็คือการไม่ทําบาปการไม่ทําบาปนี่หมายถึงเป็นศึกขาไหมไม่ทําบาปนี่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาสัพปะปะปัสสะการนังนี่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเป็นอธิศีลและศึกขาอากุศลทุกชนิดเนี่ยจะถูกงดเว้นได้ด้วยอธิศีล การยังกุศลให้ถึงพร้อมตั้งแต่ บ, บวชยันเป็นพรทารหันนั่นแหละแปลว่าการทำว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมนั้นหมายถึงสมถกะกับวิปั ส, สนากระทําจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากนิวรณ์ห้าหมายถึงอรหัตตผลสจิตตะปริโยธาปนังคํานั้นหมายถึงอรหัตผลนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยโอวาทความอดทนคือความอดกลั้น เป็นธรรมะเผาบาปอย่างยิ่งเหมนกันติเนี่ยเป็นธรรมะที่สูงสุดในศาสนาเนี่ยขันติเนี่ยนะเป็นบรมธรรมอ่ะเป็นธรรมะที่สุดยอดเหมือนกันนะขันติเนี่ยคือความอดกลั้นอดทนเนี่ยนะสูงสุดในศาสนานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่ายเยี่ยมพระนิพพานเนี่ยเป็นเยี่ยมที่สุดผู้รู้มีกี่อย่างเคยได้ยินนะท่านผู้รู้ผู้รู้มีกี่อย่างหนึ่ง สัมมาสัมพุทธะรู้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองปะเจกับพุทธะรู้แบบพระปะเจกับพุทธเจ้าสามสาวกับพุทธะนะถ้าใช้คําว่าผู้รู้ปั๊บนะเราจะที่บายธรรมะเราต้องนึกให้เป็นภาษาบาลีออกก่อนแล้วนึกกลุ่มคําว่าคําเนี้ยอยู่ในธรรมะหมวดไหนอย่างคําว่าผู้รู้โอ้หมายถึงพุทธะพุทธะมีกี่อย่างนั้นพุทธะมีสามอย่างสัมมาสัมพุทธะปจเจกับพุทธะและสาวกับพุทธะ ในผู้ที่ยังถึงนิพพานหมดแล้วนะผู้รู้ทั้งหมดเหล่านี้ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเยี่ยมที่สุดดีที่สุดเหมือนกันผู้ทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบันปะชิตคนที่มีการตระหัดประหารมีการดา่ามีการเคี่ยนตีมีการยกไม้ยกมือทำร้ายผู้อื่นเนี่ยนะไม่เชื่อว่าเป็นบันปะชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย การไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายก็คือศีลทางวาจาการไม่ทำร้ายก็คือศีลทางกายอนุปวาโทอนุปคาโตวางันปาติโมเคจะสังวโรเนี่ยนะการสำรวมในพระปาติโมคำว่าความสำรวมนั้นก็คืออินรีสังบนคำว่าปาติโมก็คือปาติโมคัสังบนความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตตาหารประมาณในพัตาหารก็คือ โพชเนมะตันยุตามหมายถึงอาชีวะปริสุทธิศีลกับปัจจยะสันนิสิตาศีลอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คือเสนาสนะส ป, ปายะความประกอบเอื้อเฟื้อในอธิจิตก็คือเอื้อเฟื้อในสมาบัตร8เอตังบุทานศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายังนั้นโอว่าท่าปาติโม ข, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานั่นเอง นี่คือโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาในประวัติทั้งความปรารถนาของพระประเจกมุทเถเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะส่วนรายละเอียดภาษาวกนั้นสามารถติดตามได้ในเถระคาถาและเทรีคาถาต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ใดได้อ่านพระไตรปิฎกมากๆผู้นั้นจะ จเจริญพุทธานุสติได้มากถ้าผู้ใดมีข้อมูลมากอย่างพูดในภาษาสมัยใหม่นะผู้ใดมีข้อมูลมากๆ ก, ก็จะเจริญได้มากผู้ใดทรงจําพระธรรมได้มากผู้นั้นก็จะเจริญพุทธานุสติได้มากนะครับเพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับบุคคล น, นั้นๆว่าท่านจะมเีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธคุณได้แก่พระ บริสุทธิ์ที่คุณนะครับพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณเนี่ยสามอย่างนี่นะครับถ้าท่านมีเรื่องมากท่านก็จะตึกได้มากถ้าท่านมีน้อยท่านก็ตึกได้น้อยตึกได้สั้นนะครับผมตั้งแต่มาเรียนกับท่านพระอาจารย์สมบัติทำให้ผมตึกได้ยาวนานขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในพระธรรมนะครับไม่ว่า พระธรรมนั้นจะเป็นธรรมะที่ยาวเป็นสูตรหรือเป็นเพียงข้อความสั้นๆก็ดีนี่นะครับจะไม่พ้นพระคุณทั้งสามนี้เลยครับคือเมื่อหยิบขึ้นมาคำหนึ่งก็จะไม่เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นพระมหากรุณาคุณไม่เป็นพระมหากรุณาคุณก็จะเป็นพระปัญญาคุณจะไม่หนีจากนี้เลยนะครับ แล้วก็การตรึกการท่องการจํานี่นะครับมาสมัยนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครนิยมนักแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไปพูดที่ไหนว่าเออกรต้องต้องทรงจําไม่บ้างนะักก็รู้สึกจะเป็นภาระนะผู้ฟังเขาแมถ้าจะไม่ไหวเราก็มีอายุแล้วแต่เชื่อไหมครับผมนี่นะผมมาหัดฝึกหัดจําตอนที่ผมมีอายุมากแล้วไม่เกี่ยงนะไม่เกี่ยงนะ ท่านยังนึกว่าท่านมีอายุมากแล้วท่านจำไม่ได้ไม่จริงไม่เป็นไปไม่ได้ท่านจำได้แน่นอนนะผมอยากจะยกตัวอย่างสักสูตรหนึ่งนะที่พอที่จะจำได้นะฮะอย่างคร่าวๆว่าพอเราจำสูตรนี้ได้แล้วนี่นะฮะเราจะมาตรึกว่าเป็นพุทธคุณได้อย่างไรนะเช่นในสูตรหนึ่งที่บอกว่าที่มีพราหม ผัวเมียสองคนแก่เท่าแล้วเขาบอกว่าโอ้ตลอดชีวิตมานั่นไม่ได้เคยทํากุศลอะไรเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทํำยังไงนะถึงต่อไปข้างหน้าเนี่ยอายุก็ต้องจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยทําไงจึงจะที่ไปข้างหน้าจึงจะปลอดภัยเนี่ยไปถามพระเจ้าขอคําสอนที่สั้นๆย่อๆหน่อยเถอะนะพระผูมิภาคก็ตัดบอกว่าดูก่อนพรามณ์โลกอันชาลาพยาธิมลนาะ ไม่อยู่แล้วอยู่ขณะนี้นีถ้าเราตึกได้อย่างนี้นะครับโลกคืออะไรนีโลกพระงแบ่งเป็นสามโลกได้แก่สัตว์วัโลกได้แก่ขันธะโลกได้แก่โอกาสโลกนะฮะพระองค์บอกว่าโลกคําเดียวนี่นะฮะพระองค์ตัดหมายถึงว่าเนี่ยสัตว์วัโลกเนี่ยนะ แล้วก็โลกของสัตว์ก็มีใช่ไหมโลกของสัตว์เลี้ยชานโลกของเทวดาพระองค์ใช้คําว่าโลกคําเดียวนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแต่ละโลกเนี่ยเขาก็มีลักษณะของเขาไปโลกของผู้นี้มีศรัทธามีโทสะโลกผู้นี้มีมัจฉริยะโลกนี้มีสติโลกนั้นมืดมนไปเลยคือเป็นโลกของสัตว์เลี้ยชานมีแต่โมหะหมดเลยนะเนี่ยโลกของเทวดาโลกของพรหมพระองค์ใช้คําว่าโลกคําเดียวนะแทนหมดเลย ของเรามีนางสาวนั่นมีร้อยตรีนั่นมีนายพลนั้นใช่ไหมมีมีนามหน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่มนุษย์มีคําหมายที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งคือขึ้นต้นวันโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้คํานี้คำเดียวทาให้เราเห็นพระคุณของท่านว่าพระองค์ใช้พระธรรมซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยอัฏฐและพยัญชนะสมบูรณ์ด้วยอัฏฐและพยัญชนะพระองค์บัญญัติคําวันโลกเนี่ยแล้วหมายถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับ สมบูรณ์ทั้งอัถฐธธพญนาเมื่ออย่างนี้เราก็จะเห็นพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์นั้นมีพระปัญญาคุณและมีพระกรุณาคุณต่อสัตว์โลกเพียงใดนะครับพระบอกว่าโลกอันขลามมลนะผาะไม่อยู่อย่างนี้เนี่ยจริงไห ม, มจริงนะถ้าตึกอย่างนี้นะแล้วเราก็ตึกถึงนี้นี่เป็นพระคุณของพระคุณพระนะทรงตัดไว้นะแล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่า การสังวรทางกายทางวาจาทางใจนะจะเป็นที่พึ่งที่เกาะที่เลนของผู้ที่จะไปข้างหน้าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นข้อความที่สั้นๆ น, นะครับแต่ว่าข้อความคําว่าสังวรคือเพราะว่าทางกายทางวาจาทางใจนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ที่ใหญ่โตทีเดียวจะต้องทําความเข้าใจ นะถ้าเราเข้าใจเึงสังวรทางกายทางวาใจดีแล้วนี่นะครับก็จะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อไปข้างหน้านะครับเมื่อเราตรึกอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นพระคุณอีกละวเพราะฉะนั้นผมถึงกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นข้อความใดๆสั้นๆหรือยาวๆหรือจะเป็นพระสูตรเนี่ยนะฮะถ้าผู้ใดเข้าใจมากผู้ใดทรงจํา ม, มากผู้นั้นก็จะตรึกพุทธคุณได้มากนะครับก็คงจะ เริ่มต้นปิ่นโทนี้ก่อนนะครับเปิดในเอกสารนะคือในในเอกสารที่จัดทํานั้นเอามาจากหนังสือสามเล่มด้วยกันทีนี้เปิดไปตรงชาตะกัดตะก a าเปิดเราจะมีเรียกว่าหน้าสองหน้าสามตงนั้นแต่ว่าเปิดไปเยอะหน่อยนะเปิดไปประมาณเกือ บ, บยอี่สิบใบอ่ะจะมีคําว่าชาตะกัดตะก a า h a นะเราจะเริ่มเรียนตรงนั้นก่อน ซึ่งข้อความที่เอามาจัดเป็นหลักสูตในการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียบเรียงเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากอัตตกะถาสุตตานิบาตส่วนหนึ่งก็เอามาจากอัตตกะถาเจริยาปิฎกเฉพาะตรงนี้เอามาจากอัตตกะถาชาดกชาตกตกะถาก็คืออัตตกะถาชาดกนั่นเอง คือเฉพาะในชาดกนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะตรัสแต่เป็นคาถาอย่างเดียวไม่ได้แสดงเป็นจุนิยะจุนิยะนี้ก็คือถ้อยคําที่เป็นคําเรียบเรียงนะเป็นร้อยแก้วพระพุทธเจ้าเรียตรัสเป็นร้อยกรองตลอดเพฉะนั้นอัตถานี้ก็คือถ้อยคําที่มาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้เห็นเนื้อหาความเป็นไปได้อย่างชัดเจนเั้นตามหลักการแต่งอัตถาทั่วไปเขาจะมีปนา ม, มะะาัตถา คำว่าปนามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตำหนินะประนามตรงนี้แปลว่านอบน้อมปนามตรงนี้แปลว่านอบน้อมซึ่งพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเวลาท่านจะแต่งเรียบเรียงคมภีร์ท่านจะมีการนอบน้อมพระตันตนารายก่อนท่านจะมีการนอบน้อมพระตันตนารัยการนอบน้อมพระตันตนารายนั้นทําไมในพระไตรปิฎกไม่มี ในพระไตรปิฎกจะมีว่านาโมตัสสะพระคาวะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้ก็เป็นคํานอบน้อมแต่ก็คํานอบน้อมอันนี้เนี่ยซึ่งสาไปทีหลังนะในพระไตรปิฎกจะมีคําว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระคาวาไปเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพู้ถอดโพอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปนอบน้อมใครส่วนในอภิคถาเป็นต้นเป็นถ้อยคําของภาษาวกทั้งหลายเป็นถ้อยคำของภาษาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นภาษาวกทั้งหลายนั้น เวลาจะกล่าวถึงพระตนตรยัยจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงพระธรรมหรือจะกล่าวถึงพระสงฆ์ท่านจะมีการนอบน้อมพระตนตรัยก่อนซึ่งมาดูลักษณะการนอบน้อมพระตนตรยัยเราจะเห็นว่าท่านเข้าถึงพุทธคุณมากผู้ที่เป็นระษาวกที่รจนาพระคำทีให้เราทั้งหลายได้ศึกษาสืบเนื่องกันมาเนี่ย